วันนี้เป็นวันเสาร์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาธรรมและมาปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเพื่อสร้างความสุขความเจริญให้แก่จิตใจตามลำดับการ แสดงธรรมก็จะมีการแสดงธรรมก่อนแล้วก็มีการปฏิบัติคือ30สบนาทีแรกนี้ก็จะแสดงธรรมให้ท่านได้ยินได้ฟังกันส่วนอีก30สบนาทีต่อมาก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมคือการทาใจให้สงบด้วยการจเจริญสติให้ใจอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐาน เพื่อที่ใจจะได้นิ่งได้สงบได้เกิดความสุขอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาทมที่จะเอามาแสดงในวันนี้ก็คือเรื่องสัจธรรมความจริงของชีวิตที่ชาวพุทธเราควรจะพิจารณากันอยู่เนืองเนืองเพราะเป็นสัจธรรมความจริงของชีวิต ที่สำคัญที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือให้เราลำเลึกอยู่เรื่อยๆว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาร่วงพ้นจากความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาร่วงพ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ เรามีความตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นจากความตายไปไม่ได้เรามีการพัดพลากจากกันเป็นธรรมดาร่วงพ้นจากการพัดพลากจากกันไปไม่ได้แล้วก็เรามีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้จะเป็นบุญหรือจะเป็นบาป เราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนี่คือสัจธรรมความจริงของชีวิตที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามันพิจารณาอยู่เนืองๆอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆเพื่อจะได้ไม่หลงไม่ลืมให้รู้ความจริงอันนี้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเพื่อที่เราจะได้ เตรียมตัวเตรียมใจกับการปรากฏขึ้นของเหตุการณ์เหล่านี้คือความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดจากกันถ้าเรามีความเตรียมตัวเตรียมใจแล้วใจเราจะได้ไม่ประมาทจะได้หาวิธีทําใจให้เราไม่ทุกกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้ การที่จะทำให้ใจของเราไม่ทุกข์กับเหตุการณ์เหล่านี้ได้เราต้องทำใจให้นิ่งให้สงบนั่นเองทำใจให้เป็นอุเบกขาถ้าใจมีอุเบกขาใจจะปล่อยวางได้จะไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายกับการพัดภาคจากกันแต่ถ้าใจเราไม่นิ่งไม่สงบไม่มีอุเบกขา ใจเราจะเกิดความรู้สึกทุกเกิดความเครียดขึ้นมาทันทีนี่คือทำอันประเสริฐอินทสัตย์จะทำความจริงของชีวิตของทุกๆคนไม่ว่าใครก็ตามเมื่อเกิดมาแล้วต้องเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บเจอกับความตายเจอกับการพลดพากจากกัน อย่างเด็กเลี้ยงไม่ได้เพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองเกิดขึ้นกับคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนคนใหญ่คนโตหรือคนไม่ใหญ่คนไม่โตคนฉลาดหรือคนโง่ต้องเจอร่างกายของคนทุกๆคนนี้เท่ากันเหมือนกันหมดทุกคนแม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้า ร่างกายของพระอรหันต์ตาวกทั้งหลายก็ต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายเจอกับการพัดพรากจากกันเหมือนกันเพียงแต่ว่าใจของท่านมีธรรมะคุ้มครองใจทำให้ใจของท่านนั้นไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับความแก่กับความเจ็บกับความตายของร่างกายได้ใจของพวกเราเราก็สามารถที่จะ ทำให้ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายกับการพัดพากจากกันได้ถ้าเราฝึกใจทำใจให้นิ่งให้สงบให้เบให้มีอุเบกขาถ้าใจนิ่งใจสงบมีอุเบกขาแล้วใจจะวางเฉยใจจะยอมรับความจริงพอใจได้ ได้คอยสั่งคอยสอนคอยเตือนใจเรื่อยๆถึงความจริงของร่างกายว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเรา<ม>เป็นสิ่งที่ทํามาจากดินน้ํานมไฟแล้ววันหนึ่งมันดินน้ํานมไฟที่มารวมตัวกันในร่างกายก็จะต้องมีการแยกออกจากกันไปพอเกิดจาก เกิการแตกสามะคีของธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟร่างกายก็จะตั้งอยู่เหมือนเดิมไม่ได้สิ่งแรกที่จะออกจากร่างกายไปก็คือธาตุลมพอไม่หายใจพอธาตุลมไม่เข้าก็จะมีแต่ธาตุลมที่เหลืออยู่ในร่างกายก็จะค่อยๆระเหยออกไปตามมาด้วยธาตุนาธาตุไฟร่างกายก็จะเริ่มเย็นลง ลหลังจากนั้นก็ตามด้วยธาตุน้ำต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายก็จะค่อ ย, อยๆไหลออกมาเหือดแห้งต่อไปร่างกายก็จะแห้งกรอบกลายเป็นของแห้งกรอบแล้วในที่สุดก็ผุพังกลายเป็นดินไปนี่คือธรรมชาติของร่างกายที่เราจะต้องคอยสอนใจเตือนใจ ให้รู้ความจริงอันนี้ไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเพื่อที่เวลาเกิดเหตุการณ์คือความตายก็ดีความแก่ก็ดีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีจะได้ไม่ตกใจไม่ทุกข์ไม่เครียดถ้ายังทุกข์ยังเครียดอยู่ก็แสดงว่ายังทําใจไม่ได้ยังไม่มีสมาธิยังไม่มีอุเบกขา ก็ต้องมาฝึกสตินั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบให้ได้ถ้าสามารถทำใจให้นิ่งให้สงบได้เวลาเจอกับความแก่ก็เจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอกับความตายเจอกับการพัาดพลาดจากกันใจก็จะไม่เดือดร้อนใจก็จะนิ่งเฉยใจก็จะไม่ทุกข์ กับเหตุการณ์เหล่านี้ได้นี่คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับคนทุกๆคนที่มาเกิดในโลกนี้ถ้ามีคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนมาเตือนใจและสอนวิธีทําใจใจก็จะได้ไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ทุกข์กับความตาย น, นี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราทุกคนไม่ว่าจะมีไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นคารวะทุกคลองเลือนหรือเป็นนักบวชเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ควรที่จะปฏิบัติกันทํากันเพราะเป็นการ เป็นเหมือนกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคภัยไข้เจ็บของทางร่างกายถ้าร่างกายได้รับวัคซีนป้องกันโรคภัยต่างๆเวล า, าที่เกิดโรคภัยระบาดหรือแม้โรคภัยจะเข้ามาในร่างกายก็จะไม่ทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้ถ้ามีวัคซีนคอยป้องกัน คอยทำลายเชื้อโรคต่างๆที่เข้ามาในร่างกาย<ม>ฉันใดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นเหมือนกับการฉีดวัคซีนให้กับใจป้องกันไม่ให้ใจต้องมาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆของร่างกาย<ม>ถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนนี้เวลาร่างกายเป็นอะไร ใจจะเครียดขึ้นมาทันทีใจจะทุกข์ขึ้นมาทันทีใจจะตกใจจะหวาดกลัวแต่ถ้ามีวัคซีนได้ได้หมั่นพิจารณาความเป็นของไม่เที่ยงของร่างกายอยู่เรื่อยๆความไม่มีตัวตนของร่างกายความที่ร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราคือร่างกายไม่ใช่ใจ ใจผู้ที่พิจารณาร่างกายนี้ไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นเพียงแต่ผู้มาครอบครองร่างกายเพื่อใช้ร่างกายทำประโยชน์ให้กับใจเท่านั้นเองแต่ใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันร่างกายเป็นอะไรนี้ไม่ทำให้ใจเป็นไปกับร่างกายร่างกายแก่ไม่ได้ทำให้ใจแก่ ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ทำให้ใจเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายตายไม่ได้ทำให้ใจตายไปแต่อย่างใดใจก็ยังตั้งอยู่เหมือนเดิมไม่มีวันตายถ้าร่างกายตายไปแล้วใจยังอยู่ต่อแต่ใจจะอยู่แบบไหนนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่ได้ทำไว้ ในขณะที่มีชีวิตอยู่นั่นเองพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนเรื่องกฎแห่งกรรมให้เราได้หมันเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าเรามีกรรมคือการกระทำเป็นของของเราเรากระทำกรรมมันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องเป็นผู้รับผลของบุญและของบาปนั้นโดยผู้เดียว ไม่มีผู้นี้จะมารับผลแทนเราได้แม้แต่ร่างกายก็ไม่สามารถมารับผลแทนใจได้ร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือของใจเท่านั้นเองผู้กระทำบุญหรือผู้กระทำบาสนี้เป็นใจและผู้ที่จะรับผลบุญผลบาปนี้ก็คือใจผลบุญผลบาสนี้ก็มีส่งผลได้สองระยะด้วยกันระยะที่ ยังมีชีวิตอยู่คือในขณะที่ทำบุญหรือทำบาปนั้นจะเกิดผลขึ้นมาที่ใจทันทีคือถ้าทำบุญแล้วจะทำให้ใจเย็นใจสบายใจมีความสุขถ้าทำบาปจะทำให้ใจทุกข์ทำให้ใจร้อนขึ้นมาทันทีส่วนร่างกายก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เวลาทำบุญร่างกายก็ไม่มีความรู้สึก เปลี่ยนไปกับการทำบุญของใจสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือความรู้สึกภายในใจเวลาทำบุญแล้วใจจะเย็นใจจะสุขใจจะสบายร่างกายก็เหมือนเดิมถ้าร่างกายร้อนร่างกายก็ยังร้อนอยู่ถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายก็ยังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ร่างกายจึงไม่ได้เป็นผู้ที่รับผลของการกระทำของใจ คือการทำบุญหรือการกระทำบาปเพียงแต่ว่าอาจจะถูกติดร่างแหไปกับการกระทำของใจกับการรับผลบาปของใจก็ได้เช่นถ้าใจทำบาปทำผิดกฎหมายเวลาจับหน้าที่ตำรวจจะมาจับก็ต้องมาจับร่างกายไปเพราะรู้ว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนกับผู้รับใช้ใจ ร่างกายอยู่ที่ไหนใจก็อยู่ที่นั่นจึงต้องจับร่างกายไปขังคุบขังตารางแต่ร่างกายก็ไม่เดือดร้อนเพราะร่างกายไม่มีการรับรู้แต่อย่างใด ร, ร่างกายไม่รู้ว่าตอนนี้ถูกจับขังคุกหรือไม่ถูกลงโทษอย่างใดหรือไม่ร่างกายไม่รู้แต่ผู้รู้ก็คือใจใจก็คือ ใจก็จะทุกข์หรือจะสุขจากการที่จะต้องรับผลของการกระทำของใจเองอ น, นี่คือเบื้องต้นหรือขั้นขั้นที่หนึ่งของการรับผลของการกระทำของใจคือถ้าทำบุญทำความดีใจจะมีความสุขใจสบายใจถ้าทำบาปใจก็จะมีความทุกข์ร้อนใจขึ้นมา แล้วความสุขใจหรือความทุกข์ใจที่ได้ทำไว้นี้ก็จะสะสมอยู่ในใจต่อไปจะทำให้ใจนี้มีคุณภาพดีขึ้นหรือเลวลงเหมือนกับคุณภาพของอากาศท้องที่เราหายใจทุกวันนี้บางวันก็มีมีสารพิษมีมีสิ่งที่เปื้อนลอยอยู่ในอากาศมากมันก็จะสะสมอยู่ในอากาศไป บางวันก็ได้มีผลอะไรมาชาระให้สิ่งเหล่า น, นี้มันจางหายไปความรู้สึกที่เกิดจากการทำบุญก็ดีความรู้สึกที่เกิดจากการทำบาปก็ดี <c oughs> ก็ยังจะฝังอยู่ในใจต่อไปถึงแม้จะไม่ได้ออกมาแสดงผลในตอนตอนที่ร่างกายมีชีวิตอยู่แต่มันจะมาแสดงผลตอนที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วพอร่างกายตายไปปั๊บเนี่ย สิ่งที่จะมาแสดงผลต่อจิตใจต่อดวงวิญญาณก็คือบุญหรือบาป ท, ทันทีก็ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่ากันถ้าฝ่ายบุญมีกำลังมากกว่าฝ่ายบาปฝ่ายบุญก็จะเป็นผู้แสดงผลให้กับใจพาใจให้ไปสู่สุขติพาใจให้ไปสู่ สวรรค์ชั้นต่างๆทําใจให้มีความสุขในระดับต่างๆในขณะที่ไม่มีร่างกายแล้วก็ถ้าถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะเป็นผู้แสดงผลก่อนบาปก็จะส่งผลให้ใจทุกข์ให้ใจร้อนให้ใจไปอยู่ในสภาพที่ไม่น่าไม่น่าอยู่ ที่เรียกว่าอาบายสี่สถานด้วยกันถ้าไปเกิดก็จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉาน <Yeah. S 2> ถ้ายังไม่ได้เกิดเป็นดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณที่เหิ่วหวย้ยถ้าทำบาปด้วยความโลภ <Yeah. S 2> เราเรียกว่าเปรต <Yeah. S 2> ถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะเป็นอสูรกายเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความความกลัวหุ้มห่อจิตใจ yeah. ถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียด<แ>ก็จะเป็นดวงวิญญาณที่เรียกว่านารก<ม>ก็คือจะมีไฟนรกของความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดนี้เผาดวงวิญญาณอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าอำนาจของบาปจะหมดลง mm. เมื่อหมดลงแล้วก็จะได้ไปรับร่างกายอันใหม่ไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต่อไป เช่นเดียวกับผลของบุญที่จะส่งให้ผู้ที่ได้ทําบุญมากกว่าทาบาปได้มีความสุขมีความสบายพาไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆจนกว่าบุญที่ได้ทําไว้นั้นหมดลงหรือลดลงมาเท่ากับบาปที่ยังไม่ได้ส่งผลพอบุญกับบาปที่มีอยู่ในใจมีกำลังเท่ากัน บุญก็ไม่สามารถดึงให้ไปสวรรค์ได้แต่บาปก็ยังไม่สามารถดึงให้ไปอบายได้ก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ให ม, ม่พอมาเกิดก็จะต้องมาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายกันใหม่อีกรอบหนึ่งในระหว่างที่ยังไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายก็เป็นช่วงที่ใจหรือดวงวิญญาณนี้ก็จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ตอบสนองกิเลสตัณหาของตนส mm hmm. าเหตุที่ใจยังต้องมาเกิดอยู่เรื่อยๆก็เพราะมีกิเลสตัณหาความอยากในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะอยากการหาความสุขจากาลาภยศสรรเสริญจ mm hmm. ึงพาใหา้ใจนี้มาเกิดมามีร่างกาย เพรการจะเสพความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายได้จําเป็นจะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือนั่นเองนี่ก็คือที่มาของการวีนว่ายตายเกิดหลังจากที่ไปรับผลผลผลบุญ ผ, ผ, ผ, ผ, ผลบาปแล้วก็จะมารับร่างกายนใหม่เพื่อที่จะได้ไปเสพความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกยลิ่นรสโผฏพัทธ์ต่อไป แล้วก็ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายเวลาที่ร่างกายได้เข้าสู่วัยชร า, าต้องเจอกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วในที่สุดก็ต้องถึงแก่ความตายไปนี่คือเรื่องของใจของพวกเราทุกคนที่ยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่และจะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด จนกว่าเราจะได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้เท่านั้นที่จะทำให้เรามีโอกาสที่เราจะตัดวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้ยุติความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายเกิดจากการพัาดพากจากกันได้เพราะพระพุทธเจ้า เป็นผู้ตัดสู้วิธีการดับความทุกข์ทางใจได้อย่างสิ้นเชิงและรู้จักวิธีที่จะหยุดใจไม่ให้ไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปได้ <Yeah. S 2> ถ้าเราไม่มาเกิดในยุคอื่นในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่มีวันที่จะรู้วิธีดับความทุกข์ของใจไม่รู้จักวิธีการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดของใจได้ ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้แล้วประกาศพระธรรมคำสั่งคำสอนให้แก่สัตว์โลกแล้วก็ตั้งพระพุทธศาสานาขึ้นมาทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าตายจากโลกนี้ไปแล้วก็ยังมีตัวแทนของพระพุทธเจ้ามาทำหน้าที่ <c oughs> สั่งสอนสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ให้หลุดพ้นจากวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ <c oughs> คือเวลาไม่มีพระพุทธเจ้าอย่างสมัยนี้เราก็ต้องอาศัยตัวแทนอีกสองตัวแทนที่ทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้ก็คือพระธรรมคําสอนที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกันที่ได้มีการจดจําและบันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์ ที่เรียกว่าพระไตรปิฎกนี่อันนี้คือคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นส่วนใหญ่ร้อยอาจจะมีคําสอนของพระสาวกอยู่วนอยู่ด้วยแต่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราอยากจะเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าเราก็ไปเรียนรู้จากพระคัำพีพระไตรปิฎกนี่ดังที่พระเจ้าได้ทรงตรัสไว้ก่อนที่จะจากโลกนี้ไปว่า พวกเธอจะไม่ได้อยู่ปรสจจารสจักศาสดาคือเราเพราะพวกเธอจะมีาศาสดาที่จะทาหน้าที่แทนเราก็คือพระธรรมวิไนพระธรรมคำสอนที่เราได้ตัดไว้แล้วชอบที่ได้สั่งสอนไว้แล้วตามถูกต้องตามหลักความเป็นจริงนี้เป็นอาจารย์เป็นครูเป็นาศาสดาของพวกเธอต่อไปดังนั้นเรายังมีพระพุทธเจ้าอยู่อยู่ในรูปแบบของพระธรรมคาสอนในพระไตรปิฎก แล้วเราก็ยังมีตัวแทนอีกส่วนหนึ่งก็คือคําสอนของพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันพระสกิราคามีพระอน า, าคามีพระอาหารหันต์ท่านก็จะมีความรู้ในการดับทุกข์เป็นขั้นขั้นไปจากขั้นต่ําไปสู่ขั้นสูงสุดสูืจากขั้นพระโสดาบันไปสู่ขั้นพระอาหารหันต์แล้วแต่ว่าเราจะได้พบกับ พระยาบุคคลรูปไหนเราก็จะสามารถเรียนรู้จากท่านได้ในในระดับความรู้ของท่านแล้วก็สามารถที่จะนํำมาไปต่อยอดต่อไปได้พอได้เป็นพระรยาบุคคลแล้วนี้จะสามารถปฏิบัติต่อไปได้โดยไม่ต้องมีครูบาอาจารย์คอยสั่งคอยสอนก็ได้ถ้าหาไม่ได้แล้วก็จะสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่เกินเจดชาติเป็นอย่างมาก ถ้าเป็นพระโสดาบันถ้าเป็นพระสกิดาคามีก็เพียงหนึ่งชาติจะกลับมาเกิดอีกเพียงหนึ่งชาติก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายโกฏได้อย่างสิ้นเชิงถ้าเป็นพระอนาคามีก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ยังต้องไปเกิดเป็นพรหมอยู่แล้วก็จะหลุดพ้นจากการไปเกิดเป็นพรหมเป็นเมื่อได้เป็นพระอรหันต์เมื่อได้เป็นพระอรหรอันต์แล้วก็จะได้ไปถึงพระนิพพาน พลานิพานก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่ได้ชำระความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปแล้วพอใจไม่มีความโลภโกรธหลงไม่มีกิเลสตัณหาแล้วใจดวงนั้นก็จะไม่มีการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปจะอยู่อย่างบัลมัสุขไปตลอดนิพานังปรมังสุขขัง <c oughs> นี่คือผลที่เราจะได้รับ ถ้าเราได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาถ้าไม่ได้เจอกับพระพุทธศาสนาจะเจอกับพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ดีจะเจอกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคำสอนก็ดีหรือจะเจอกับพระรีอสงสาวกก็ดีถ้าเราไม่ได้เจอเราจะไม่มีวันที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดของเราได้เลยตอนนี้เราได้มาเจอแล้วสิ่งที่เราต้องทาต่อไปก็ต้อง สร้างศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เกิดขึ้นมาให้ได้เชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นผู้รู้จริงเห็นจริงเป็นผู้ที่จะสามารถสั่งสอนให้เราได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็ต้องพยายามศึกษ า, ศ, กษ า, าศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาคําสอนของพระอริยสงฆ์สาวกต่างๆโดยเฉพาะ พระอริยสงสาวกที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้หรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่มีคำสอนได้บันทึกเอาไว้เพราะเป็นคำสอนที่ค่อนข้างจะสดสร้อนร้อนสอนตามตามเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้ทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายนะสามารถนำามาใช้เอามาปฏิบัติให้เกิดผลขึ้นมาได้ เราต้องพยายามศึกษาบ่อยๆเมื่อศึกษามากๆขึ้นรู้มากขึ้นความเข้า อ, อกเข้าใจในพระศาสนาก็จะมีมากขึ้นความลังเลสงสัยต่างๆก็จะหดน้อยลงไปตามลำดับจนต่อไปก็ไม่สงสัยเลยรู้เลยว่าเป็นของจริงสามารถนํามามาปฏิบัติเพื่อทำให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ สิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทํากันเมื่อเราได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาแล้วเราต้องหมั่นศึกษาอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรจะมีการศึกษาอย่างจริงจังสักหนึ่งวันที่เรียกว่าวันธรรมสวัสวันฟังธรรมก็คือวันพระนี้เองเพียงแต่ว่าวันพระสมัยนี้อาจจะไม่สะดวกสาหรับคนยุคนี้สมัยนี้เพราะไม่ได้เป็นวันหยุดทํางานวันหยุดทํางานไปตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ ส่วนวันพระนี้จะเวียนไปตามตามแต่ปฏิทินของจันทรคติวันพระก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆทางที่แล้วนี่วันพระเป็นวันอังคารเดี๋ยวที่หน้าวันพระก็เป็นวันพุธก็จะไม่สะดวกที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมในวันพระได้เพราะต้องไปทำงานชาวพุทธเราก็ต้องรู้จักเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนวันพระ ให้ไปตรงกับวันทํางานของวันหยุดทํางานของเราเช่นถ้าเราหยุดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เราก็กําหนดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ให้เป็นวันที่เราจะได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมกันถ้าเรามีวันพระมีวันพระอย่างต่อเนื่องเดือนละสี่ครั้งเนี่ยได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆศรัทธาความเชื่อก็จะมีเพิ่มพูนมากขึ้นไปต่อไปก็จะไม่มีความสงสัย เพราะจะได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการได้ศึกษาได้การและปฏิบัติว่าสามารถกาจัดความทุกข์ต่างๆได้อย่างแน่นอนก็จะทำให้มีความทุ่มเทมีฉันทาวิริยะปรากฏขึ้นมาในใจมีทิบาสิสีมีความยินดีที่จะศึกษาปฏิบัติมากขึ้นมีความเพียรมากขึ้นมีความจดจอ่อจริงใจต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติมากขึ้น จะคิดค่ายควรอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา mm hmm. การปฏิบัติเพียงอย่างเดียวไม่สนใจกับเรื่องต่างๆอีกต่ต อ, กตอไปถ้าได้เกิดปิบัติสีแล้ว mm hmm. ก็จะนำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานตามลาดับต่อไปนั่นเองอนนี่ก็คือเรื่องของธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้ mm hmm. เพื่อที่ท่านจะได้นำเอาไปใช้ในการ <c oughs> สอนใจ ให้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรกันบ้างเราจะต้องทำข้อสอบกันชีวิตของพวกเราทุกคนมีข้อสอบรอเราอยู่ข้างหน้าคือมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีการพลดพลากจากกันซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราสอนใจอยู่เรื่อยๆ เ, เ, เราก็จะไม่ตื่นเต้นตกใจถ้าเรายังทุกอยู่ก็แสดงว่าเรายังขาดความสงบอยู่เราก็ต้องไปเจริญสติ นั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นอุเบกขาขึ้นมาให้เกิดความสุขขึ้นมาถ้าใจมีความสุขจากสมาธิแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์เกิดความทุกข์ทางร่างกายนี้ความทุกข์ทางร่างกายนี้จะไม่ทําให้ <c oughs> จิตใจหวั่นไหวได้เลยจะไม่ทําให้จิตใจทุกข์จะไม่ให้ทําให้จิตใจว้าวุ่นขุ่นมัวเพราะจิตใจมีอุเบกขามีความสงบมีความสุขจากการปฏิบัตินั่นเอง นี่คือสาเหตุนิดที่เราจะต้องมาฝึกสตินั่งสมาธิกันต่อหลังจากที่เราได้ฟังธรรมแล้วขั้นต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันคือทําใจให้นิ่งให้สงบให้ได้เพราะถ้าใจไม่นิ่งไม่สงบใจจะไม่เป็นสมาธิจะไม่เกิดความสุขจะไม่เกิดอุเบกขาการปล่อยวางขึ้นมาได้การจะทาให้ใจสงบมีความสุขมีอุเบกขาปล่อยวางร่างกายได้ เราจำเป็นจะต้องทำใจให้นิ่งให้สงบใจจะนิ่งให้สงบก็ต้องหยุดความคิดให้ได้เพราะตัวที่ทำให้ใจไม่นิ่งไม่สงบก็คือความคิดปรุงแต่งของใจนี่เองการที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งเราก็จะต้องมีสติคอยควบคุมใจผูกใจไว้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี่ก็มีหลากหลายชนิดด้วยกันที่เราใช้กันทั่วไปก็มีพุทธานุสติ คือลำลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธไปถ้าเรามีอยู่ถ้าใจเราอยู่กับพุทโธพุทโธเราก็จะสามารถห้ามความคิดต่างๆไม่ให้ปรากฏขึ้นมาได้ตอนต้นเราตอนที่เราเริ่มพุทโธใหม่ๆความคิดก็ยังจะมีอยู่ไม่ต้องไปสนใจกับความคิดต่างๆให้เราเกาะติดอยู่กับพุทโธไปถ้าเราเกาะติดกับพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ เดี๋ยวความคิดต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะค่อยๆจางหายไปไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปอยากให้มันหายขอให้เราอยู่กับพุทธโธไปก็แล้วกันเดี๋ยวตัวพุทธโธนี้จะทำให้ความคิดต่างๆหายไปหรือบางท่านอาจจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็สามารถใช้ลมแทนพุทธโธก็ได้หรือจะใช้ลมกับพุทธโธคู่กันไปก็ได้บางท่านก็ดูลมอย่างเดียวก็ดูที่ปลายจมูก เวลาลมเข้าลมออกก็จะสัมพันธ์อยู่ที่ปลายจมูกให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปบังคับลมใช้ลมเป็นที่ผูกใจไม่ได้ใช้ไม่ได้มาบังคับให้ลมหายใจสั้นหายใจยาวหายใจลึกหรือหายใจไม่ลึกใดอย่างใดให้รู้ตามความเป็นจริงของลมลมเข้าก็รู้ว่าลมเข้าลมออกก็รู้ว่าลมออกลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาว ลมหายไปก็รู้ว่าหายไปให้รู้อยู่ที่เดียวไม่ต้องเปลี่ยนที่ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจลมหายไปก็ดูความไม่มีลมต่อไปเพราะตอนนั้นใจก็จะเข้าสู่ความสงบแล้วถ้าเราดูไปเดี๋ยวเดียวใจก็จะนวมเข้าสู่ความสงบนิ่งได้ถ้าเราไม่ไปตื่นเต้นตกใจกลัวขึ้นมาการดูลมอย่าตื่นเต้นตกใจเวลาที่ไม่มีลมให้เราได้จับสัมผัสรับรู้ให้มีสติรู้อยู่กับความว่างต่อไปแล้วเดี๋ยว ความว่างนี่ก็จะนําให้จิตเข้าสู่ความนิ่งความสงบได้หรือบางท่านจะใช้พุธเข้าโทออกก็ได้หายใจเข้าออ ก, ก็ว่าพุธหายใจออกก็ว่าโทก็ได้ <c oughs> มีหลายวิธีด้วยกันนอกจากนี้แล้วถ้าท่านใช้วิธีอื่นได้ทําใจให้นิ่งให้สงบได้ก็สามารถใช้วิธีของท่านได้ไม่จําเป็นจะต้องทําเหมือนกันทุกคนไปแล้วก็สําคัญก็คืออย่าคอยควบคุมความคิด ให้อยู่กับกรรมฐานอยู่กับอารมณ์ที่เรากําหนดไว้จะเป็นลมก็ได้เป็นพุโทโธก็ได้หรือถ้ายัางทำํำดูลมไม่ได้พุโทโธไม่ได้จะใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดอิติปิโสไปหลายๆรอบหรือสวดบทแผ่เมตตาก็ได้หรือสวดอาการสารสิบสองไปก็ได้เหล่ า, านี้ก็เป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์ที่จะดึงใจให้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้พอสวดไปสักระยะแล้วรู้สึกใจเริ่มเบาเริ่มสงบ เ้าไม่คิดอะไรก็ลองเปลี่ยนมาดูลมหายใจต่อก็ได้ <c oughs> แล้วถ้าเวลานั่งเรามีอะไรปรากฏขึ้นมาในขณะที่นั่งก็อย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้มีเสียงเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปตามรู้มีรูปปรากฏขึ้นก็ไม่ต้องไปตามรู้ <c oughs> ให้กลับมาหาที่พุทโธหาที่ลมหายใจเราใช้อะไรเป็นเครื่องผูกใจก็กลับมาหาเครื่องผูกใจของเราถ้าไปตามรู้แล้วใจก็จะไม่นิ่งใจก็จะไม่สงบจะเข้าสมาธิไม่ได้ <c oughs> อย่าไปสนใจกับอะไรทั้งสิ้นให้อยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดไว้เป็นเครื่องผูกใจเท่านั้นแล้วต่อไปนี้เราก็จะมาทำความสงบกันนั่งสมาธิจเจริญสติกันจนกว่าจะหมดเวลาตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกก็ขอให้พิจารณาสังเกตดูว่าวันนี้เรานั่งแล้วสงบไหม ถ้าสงบก็ให้สังเกตดูวิธีของการนั่งในวันนี้เพื่อคราวหน้าเวลานั่งเราก็เอาวิธีวิธีนี้ไปนั่งต่ออย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากให้มันสงบมันจะไม่ทําให้ใจสงบใจสงบเพราะวิธีการนั่งที่ถูกต้องมีสติอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นขอให้จดจำวิธีที่ดีนี้ไว้ถ้ายังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีน้อย ก็ต้องพยายามมืนเจริญสติในระหว่างวันในช่วงที่เราไม่ได้นั่งด้วยคือให้มีพุโทโธพุธโทโธอยู่ในใจไปเรื่อยๆแล้วคราวหน้าเวลานั่งก็จะสงบได้ง่ายขึ้นแล้วต่อไปนี้ก็จะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาขัง เอวเมวะอิโตทินังเปตางนังอุปการปติอชิตังปชิตังตุมหังคิปเมวาสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกาปาจันโทปนาระโสยธามณนโชตระโสยธาสัพพิติโยวิวัชจันโตสัพพารโขวินัสโต มาเตผวะตวันตารายสุขีทีคายุโกผวะอภิวาทนศิลิศานิจังวุธาปจายโนจตารุธรรมวัฏานติอายุวันโสุขางพลรังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม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 สามร้อยสามท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์สอง้อยสสิบสาม YouTube ดร v 1หนึ่งร้อยห้าวิทยุออนไลน์หคลับฮาส์สามนากุติหนึ่งร้อยสามสิบสองรวมทั้งหมดเจ็รดรอยเก้าสบสองท่านค่ะคำถามจากผู้รับฟังนากุติค่ะ เวลาสวดมนต์ในทุกๆวนันจำเป็นหรือไม่เจ้าคะที่ต้องสวดบทใดก่อนบทใดหลังการสวดนี้เราต้องการเจริญสติเป็นหลักเั็นบทไหนก่อนบทไหนหลังนี้ไม่เป็นประเด็นประเด็นก็คือสวดอย่างมีสติหรือไม่มีสติยังต้องสวดอย่างมีสติคือใจเราต้องจดจ่ออยู่กับการสวดเพียงอย่างเดียวไม่ใช่สวดไปก็คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ไปด้วย ถ้าสวนแบบนั้นก็จะไม่เกิดสติจะไม่เกิดความสงบขึ้นมาเราต้องการให้ใจสงบว่างเย็นสบายบนไหนก็ได้ขอให้มีสติกํากับการสวดไว้ก็แล้วกันเป็นหลักคำถามจะพูดรับฟังทางบ้านค่ะกราบน้ำมัสการพระอาจารย์ครับผมอาศัยอยู่ภาคเหนือจะหาสถานที่ปฏิบัติธรรมโซนภาคเหนือพอจะมีสถานที่แนะนำไหมครับ ผมอยากไปปฏิบัติที่วัดที่พระอาจารย์อยู่แต่มีปัญหาเรื่องปัจจัยผมอยากบวชแต่ก่อนจะบวชอยากสำรวจใจตัวเองให้มั่นใจซะก่อนเพราะถ้าบวชก็จะเกิดผลกระทบกับชีวิตคนรอบข้างยังไม่เคยปฏิบัติธรรมที่ไหนเลยครับอาศัยอ่านและฟังจากพระอาจารย์และหนังสือที่พระอาจารย์แนะนาครับอยากหาสถานที่ที่มีครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้จริงปฏิบัติดีเผื่อว่าจะก้าวหน้ากว่านี้ครับ ก็ค้หนหาใน Google ได้เขียนว่าวัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่นในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จะมีปรากฏชื่อของวัดต่างๆที่มีครูบาอาจารย์ที่เป็นศิษย์สายหลวงปู่มั่นไปไปตั้งสำนักไปตั้งวัดกันอยู่คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะ ขอวิธีไล่ปลวกออกจากบ้านแบบไม่เป็นบาปได้ไหมคะคือมันต้องมีใครทําบาสักคนอ่ะแต่เราอย่าทํำก็แล้วกันถ้ามีคนเขาทําบาปเป็นประจําอยู่แล้วเขายินดีมาทําให้ก็ปล่อยเขาทําไปเช่นบริษัทที่เขาคาจัดปลวกนี่เพราะว่าทําบาปอยู่เป็นประจําแล้วเราเพียงแต่ไปแจ้งให้เขาทราบว่าที่บ้านมีปลวกแล้วเขาก็จะอาสามาถ้าเขาอาสามานี่แล้วก็ไม่เป็นความผิดของเรา แต่ถ้าเราไปสั่งเขาให้มานี่เราผิดอย่าไปบอกว่าช่วยมากำจัดปลวกให้หน่อยนะถ้าอย่างนี้ผิดแต่ถ้าเราไปแจ้งว่าเหมือนกับมีไปแจ้งที่สถานีดับเพราะว่าตอนนี้มีไฟ ไ, ไหม้บ้านอย่างนี้เขาก็จะรีบมาช่วยดับให้เพราะมันเป็นหน้าที่ของเขามาใสก่กำจัดปลวกเขาถือว่าเป็นหน้าที่ของเขาในการกำจัดปลวกทิ้งแต่เราไปแจ้งให้เขาทราบว่ามีปลวกอยู่ที่ไหนนั่นเองเขาก็จะมากำจัดให้ถ้าอย่างนี้เราไม่บาปแต่เขาบาป แต่เขาก็ทำอยู่เป็นประจาอยู่แล้วเขาถือว่าเป็นอาชีพของเขาอันนั้นก็เราเราอย่าไปบังคับหรือไปสั่งเขาก็แล้วกันหรืออย่าไปขอเขาเพียงแต่ถ้าเขารู้ว่าที่บ้านเราต้องการให้มีคนมากำจัดปลวกแล้วเข้ามากำจัดให้ก็ป็นก็เรื่องของเขาไปคำถามจะพู้รับฟังนาะกุติค่ะ ทุกวันนี้ปฏิบัติในรูปแบบนิสัยจิตชอบปรุงแต่งรู้ว่าจิตปรุงแต่งอยู่แต่หนูหยุดปรุงแต่งไม่ได้เฝ้าดูเฝ้ารู้ต้องใช้เวลานานเลยค่ะกว่าจิตนั้นจะหยุดปรุงขอขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ค่ะใช้คำเล่กรรมจะช่วยให้หยุดได้เร็วขึ้นห้านาทีสิบนาทีก็หยุดได้ถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าดูยิ่งดูมันก็ยิ่งคิดอย่าไปปล่อยให้มันคิด เด็กมันมาให้มันมาคิดพุทโธพุทโธแทนแล้วเดี๋ยวมันก็หยุดคิดเรื่องอื่นก็จะอยู่กับพุทโธได้พอมันอยู่กับพุทโธไม่มีเรื่องคิดเราก็อยุดพุทโธได้ให้รู้เฉยๆไปพอมันเริ่มคิดใหม่เราก็พุทโธใหม่พุทโธนี่เป็นเหมือนเบรกใจเบรกความคิดพอมีความคิดปั๊บเราก็พุทโธพุทโธพุทโธไปพอมันหยุดคิดเราก็หยุดพุทโธได้ทํานี้ไปเรื่อยๆต่อไปความคิดก็จะไม่ค่อยเกิดพอเกิดแล้วก็หยุดมันได้ทันที คำถามจากทาง Youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะผมเคยบวชมาสามเดือนและมีปิติสุขสุดและมีปิติสุขตลอดผมนั่งสมาธิวันละสองชั่วโมงต่อเนื่องหลังศึกความสุขอยู่ต่ออีกหกเดือนแต่ช่วงนี้เริ่มหายไปแปลว่าสมาธิอ่อนลงหรือเปล่าครับขอบคุณครับก็อยู่ที่ว่าเรายังปฏิบัติอยู่หรือเปล่าถ้ายังปฏิบัติอยู่มันก็น่าจะคงอยู่ต่อไปเหมือนรถที่เราคอยเติมน้ามันอยู่เรื่อย ถ้าเราคอยเติมน้ามันนดอยู่เรื่อยๆน้ำมันก็จะมีอยู่ในรถอยู่เรื่อยๆสมาธิก็เป็นเหมือนน้ํามันของใจถ้าเราไม่เติมอะไร ม, มีแต่ใช้มันไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ํามันคือสมาธิมันก็จะหมดได้ถ้าไม่อยากให้มันหมดเราก็ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆถ้าเราเคยปฏิบัติสองชั่วโมงแล้วก็มาปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆมันก็จะมีสมาธิเราเลี้ยงจิตใจเราไปเรื่อยๆอยู่ที่การปฏิบัติ คำถามจากทางเฟซบ o ๊กพระอาจารย์สุชาติค่ะผู้ชายจะสามารถบรรลุธรรมได้มากกว่าผู้หญิงหรือไม่คะเท่ากันน่มันไม่ได้อยู่ที่เพศว่าเป็นหญิงเป็นชายอยู่ที่การปฏิบัติมากหรือน้อยถ้าปฏิบัติมากมันก็บรรลุธรรมได้เร็วปฏิบัติน้อยมันก็บรรลุธรรมได้ได้ช้ากว่าทีนี้การปฏิบัตินี้สำหรับผู้ชายมันจะสะดวกกว่ามันมีที่ที่ ผู้ชายไปได้แต่ผู้หญิงไปไม่ได้เช่นในป่าในเขาในที่ที่เปรียวป่าเปรียวนี้ผู้หญิงไปคนเดียวจะจะมีปัญหาได้แต่ผู้ชายนี่สามารถไปได้ทุกขนทุ ก, ทกขนทุกแห่งงั้นการเป็นผู้ชายแล้วมาปฏิบัตินี้จะมีอุปสรรคน้อยกว่าผู้หญิงพูด ง, ง่ายๆผู้หญิงก็ยังบรรลุได้แต่อาจจะบรรลุช้ากว่าเพราะว่ามีอุปสรรคมากกว่า คำถามจะพู้รับฟังทั้งบ้านค่ะขอหลักคิดหลักธรรมแก้ปัญหาจากพระอาจารย์ค่ะคือพี่ผู้หญิงที่ทำงานค่อนข้างสนิทเขาเป็นมือที่สามเรารู้ว่าเขาทำผิดเพราะเขามีสามีมีลูกอีกคนก็มีครอบครัวแต่เวลาไปกินข้าวเที่ยงไปทั้งคณะเขาก็นัดเจอคนนี้เราก็ได้พบปะพูดคุย ถามว่าควรวางตัวยังไงดีคะพยายามมองแต่ข้อดีเพื่อให้ทํางานด้วยกันแต่บางทีก็รู้สึกว่าเราจะมีส่วนต่อเราจะมีส่วนต่อความบาปกรรมนี้ของเขาคะ่ะอ๋อไม่เกี่ยวกรรมใครกรรมมันเขาทำำํากรรมดีเขาก็ได้รับผลดีเขาทํากรรมไม่ดีเขาก็รับผลไม่ดีของเขาแบไม่เกี่ยวกับเราเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทําอะไรเราอยู่ังเฉยจากแต่ว่ารู้ไปไม่ใช่เรื่องของเรา คำถามจากทาง f a c e b o o k ค่ะกราบเรียนสอบถามค่ะตอนนี้ยังตัดกิเลสไม่ได้อยากมีคู่ครองแต่มีเหตุให้เลิกรากันไปไม่ได้เกี่ยวข้องทางกายส่วนทางใจเราสามารถตั้งจิตว่าจะไม่ขอพบเจออีกได้หรือไม่คะขอบคุณค่ะตั้งจิตไม่ได้หรอกเพราะว่าจะเจอแลือไม่เจอมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอย่างเอง่ย แต่สิ่งที่เราตั้งได้ก็คือต่อไปนี้เราจะจะไม่ไปหลงรักเขาแล้วก็แล้วกันวิธีไม่หลงรักเขาว่าคิดถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอ น, นของเขาเขาเปลี่ยนได้เขาเปลี่ยนใจได้วันนี้เขารักเราพรุ่งนี้เขาอาจจะไม่รักเราก็ได้ <quis bronze. S 1> หรือว่าเขาอยู่วันนี้พรุ่งนี้เขาอาจจะตายก็ได้ให้คิดถึงความไม่แน่นอนในตัวของเขาทั้งน่่งกายและจิตใจของเขาแล้วเราก็จะไม่กล้าไปรักเขา เพราล่าก็เดี๋ยวเกิดเขาเปลี่ยนใจแล้วก็จะทําให้เราเสียใจทําให้เราทุกข์ได้ตอ น, นี้ยังไม้ ม, ย, มยังไม่มีคําถามเนะเราต้องแก้ปัญหาที่ตัวเราเองเราไปแก้คนอื่นไม่ได้เราไปควบคุมบังคับให้เขามาหรือไม่มาไม่ได้แต่เราควบคุมใจให้เราไม่ไปเดือดร้อนกับการมาการไปของเขาได้อืม ด้วยการฝึกจิตให้เราวางเฉยบ้างฝึกสมาธินั่งสมาธิใจเราก็จะวางเฉยแล้วก็สอนด้วยปัญญาว่าไม่มีอะไรเพียง แ, แท้แน่นอนในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เราสามารถควบคุมบังคับสั่งเขาได้<อ><อ>เขาจะมาเขาก็มาเขาจะอยู่เขาก็อยู่เขาจะไปเขาก็ไปแต่เราสามารถครวบคุมใจเราให้อยู่กับเขาได้เวลาเขาอยู่เวลาเขาไปก็อยูอ่ก<อ>็ไม่เดือดร้อนไม่เสียหายเวลาเขามาก็าไม่ได้ดีใจเสียใจ ถ้าเราทำใจของเราเฉยๆได้เป็นกลางเป็นอุเบกขาเรายอมรับว่าเขาไ ม, ม่เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนวันดีคืนดีเขาก็เปลี่ยนไปเป็นอีกอย่างหนึ่งวันดีคืนดีเขาอาจจะไปจากเราไปก็ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับใครก็ทั้งหมดเราจะอยู่ได้ไม่ต้องไปขอให้เขาไม่มาหรือมาหรืออย่างนี้เราขอไม่ได้แก้ที่ตัวเราปัญหามันอยู่ที่เรา ปัญหาคือเราไม่อยากจะเจอเขามันก็เลยทําให้เราทุกข์ไม่อยากจะให้เขามาแต่เรากไ็ไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือไม่มาเขาอาจจะมาก็ได้เขาอาจจะไม่มาก็ได้ดังนั้นเราต้องมาแก้ที่ใจเราใจเราก็คือความอยากของเรานี่อยากไปอยากให้เขามาหรือไม่มาหรืออยู่ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเหมือนกับดินฟ้าอากาศทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศ เราไปสั่งดินฟ้าอากาศไม่ได้ป่าวันนี้จะให้ตกหรือไม่ตกตกเวลาไหนไม่ตกเวลาไหนเราทำใจอยู่กับดินฟ้าอากาศได้้วสบายใจทุกอย่างเป็นอนัตตาพุทธิย่าบอกสัพเพธรมานัตตาร่างกายของเรานี้ก็เป็นอนัตตาเราไปไหนมาไหนก็เป็นอนัตตาเราควบคุมบังคับมันไม่ได้บางทีบางทีเราอยากจะไปที่นู่นอาจจะไม่ได้ไปก็ได้ บางทีอยากจะอยากจะไปจากที่นี่ก็ไปไม่ได้ก็<笑><笑>ได้มันบางทีมันมีเหตุมีปัจจัยอย่างอื่นที่มันเหนือกว่าความอยากของเราแล้ว mm hmm. เราต้องดูเหตุปัจจัยเราก็ยอมยอมรับกับสภาพของเหตุปัจจัยถ้าอยากจะไปยังไปไม่ได้ต้องอยู่ก็อยู่ไปเปลี่ยนใจ อ, อยู่ก็ได้ไม่ไม่ไปก็ได้ใจก็ไม่ทุกข์แล้วถ้าอยากจะไปแล้วต้องอยู่นี่มันจะทุกข์ขึ้นมาทันที เราต้องรู้จักปรับใจแล้วให้เข้ากับสภาพความเป็นจริง <jest> ถ้าตอนนี้ต้องอยู่ที่นี่ก็เอาอยู่ที่นี่อยากจะอยู่ที่นี่มันก็แฮปปี้แล้วพอถึงเวลาจะต้องไปถ้าไม่อยากไปก็ทุกขอ์อีกละถ้าถึงเวลาไปก็อยากไปสิเราได้ไปแล้วเนี่ยก็ต้องอยากไปสิ <is S 1> พออยากไปปั้บได้ไปมันก็มันก็นกน <ist> กแฮปปี้เราต้องรู้จักการปรับความอยากของเราให้มันตรงกับความเป็นจริงถ้าความอยากของเรากับความจริงตรงกันมันก็ไม่ทุกข์ อยากแก่พอได้แก่ก็ไม่ทุกข์อยากเจ็บไข้ได้ป่วยพอมันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะไม่ทุกข์อยากจะตายพอมันได้ตายมันก็ไม่ทุกข์ที่มันทุกข์ก็เพราะไม่อยากแก่กันไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยกันไม่อยากตายกันนั่นเองดังนั้นต้องมาปรับใจของเราให้อยากตามความเป็นจริงหรืออย่างน้อยก็ให้วางใจเฉยๆได้อะไรก็ได้อยู่ก็ได้ไปก็ได้เจ็บก็ได้ตายก็ได้แก่ก็ได้ไม่แก่ก็ได้ ถ้าเราทำใจเฉยๆกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรมีอะไรอีกไหม ย, ยังไม่มีคำถามใหม่ค่ะมีใครอยากจะถามไหมคุณหมอมีอะไรไหมไม่มีน ะ, ะถ้าไม่มีก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้